อ๋อเอาเอ๊ะต้องต้องใครจะอธิบายสงค์คุณมันมีบ้างวันนี้มันพูดแล้วไม่มีข้าวแขกแล้วังแล้วไม่อใจเหมือนใหม่ต้องเปิดใหกินไม่ได้อืก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสิบปีก็ยังไม่สายนะเพราะว่านี่มันค่่าไปแล้วทีนี้พระอรหันเนี่ยนะ ตัวอาเสขธรรมเนี่ยอาเสขธรรมเฉพาะขณะที่เข้าอารหัตตผลสมาบัติขณะที่อรหัตผลเกิดเท่านั้นะขณะนั้นเป็นอาเสขธรรมแต่ในขณะอื่นๆถ้าไปเรียกโดยโวหารก็เป็นอาเสขบุคคลอย่างพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ขณะที่พระองค์ไม่ได้เข้าพระสมาบัติเนี่ยขณะนั้นเนี่ยพระองค์ ไม่มีอาเสขาธรรมนะเพราะอาเสขธรรมเป็นเป็นตัวที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมแต่ว่าก็โดยโวหารก็เรียกว่าอาเสขะบุคคลโดยโวหารนะแต่ขณะใดที่พระองค์เข้าพร ะ, ะสมาบัติคืออรหัตตผลสมาบัติเมื่อไหร่ขณะนั้นอาเสขธรรมเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้มันโวหารกับสภาวะนี่คนละอย่างอย่างขณะที่คุยตรงนี้เน้นที่ สภาวะไม่ได้คุยในแง่บุคคลเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่อริยมรรคสี่เกิดสามัญญผลสามเบื้องล่างเกิดขณะนั้นเรียกว่าเสขธรรมเพราะกำลังไตรกกำลังศึกษาไตรศิกขาอยู่ขณะที่อรหัน ต, ตผลเกิดเรียกว่าอะเสขธรรมเพราะว่าอะตัวนี้เนี่ยอะนี่แปลว่าอะไรไก็รู้แต่ปฏิเสธอะ เขาเคยมีอย่างนี้นะเขามีว่าพลาพลาถ้าใครไม่เป็นนะไปรีบแปลเลยว่าผลกับไม่ใช่ผลเสียหายอย่างเช่นรูสีเข้าไปเก็บพลาพละเนี่ยนะเขาไปเรียกว่าพละตัวหน้าเนี่ยแปลว่าผลน้อยลูกมันเล็กอัพละตัวหลังเนี่ยแปลว่ามันเจริญลูกมันโตเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันนะตัวนี้อัพตัวนี้แปลว่าเจริญ เซอะเซฆธรรมคือผู้มีธรรมะอันเจริญแล้วเนี่ยนะเจริญเรียบร้อยเสร็จแล้วสิกขาสามเจริญเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะตัวนี้แปลว่าเจริญแล้วคือจริงๆอะนั้นมีความหมายเยอะมากแต่ว่าไทยค่อนข้างเอาคุ้นเคยกับคําว่าไม่อะปฏิเสธเนี่ยนะยากครับถ้าจะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วกระจุยลอยอะไรได้หรือครับเคมันจะมีคําอย่างนี้ว่า อย่างเช่นเนี่ยตรงนี้พระเสขะคือความรังศึกษาใช่ไหมปุตุชนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพระอเศขะคือพระผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วปุตุชนก็ไม่ได้ศึกษานะถ้าฟังไม่ดีปั๊บเอ๊ะคนเนี่ยอย่าง <c ười> คือต้องคิดแบบว่าคนเรียนจบแล้วกับกับ <c ười> คนไม่ได้เรียนมันต่างกัน พระอารหันต์นี่คือผู้ที่จบแล้วอ่ ะ, ะเรียกว่ามีศึกขาอันเจริญแล้วเลยเรียกว่าอาเซขะแต่ก็มีบางท่านก็บอกอาเซขะแปลว่าคนขี้เกียจขี้คร้านธรรมะของคนขี้เกียจขี้คร้านคนไม่ศึกษาเขาว่างั้นมีพระรูปหนึ่งที่คนนับถือมากแปลอย่างนั้นอ <c oughs> ใช่ <c oughs> พิมพ์หนังสือกระจายไปเยอะแยะไปหมดเลยก็ <c oughs> แปลว่าอาเซขะแปลว่าธรรมของคนขี้เกียจขี้คร้าน คนที่ไม่ศึกษาจริงๆอันนี้ไม่ใช่แปลแบบนั้นแปลว่าผู้ที่มีการศึกษาอันเจริญเสร็จแล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่อาอรหันต์ทั้งหลายเออกล่าวถ้ากล่าวโดยสภาวะก่อนนะว่าสรุปว่าขณะที่อรหันตผลเกิดขณะนั้นเป็นอเสขาธรรมอื่นจากนี้ทั้งหมดนะมันจะเป็นจิตเจตสิกหรืออะไรก็ช่างเถอะเป็นเนวะเสขานาเสขะหมด นะธรรมะที่เหลือนะเป็นเนวะเสขะนาเสขะหมดเลยจะเรียกว่าเสขะอย่างที่มีคกล่าวว่าอยู่จบรมแล้วปรมอยู่จบแล้วงที่ทอยู่อีกไม่ดีจริงแล้วจง่ายๆว่าเสขะเป็นชื่อของสิกขาสามเนี่ยนะอธิศีละสิกขาอาธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขา ถ้าถ้าเราจับที่ศิกขาสามอย่างเงี้ยแล้วง่ายดีว่าเสขะคือผู้ที่กําลังศึกษาในศิกขาสามอยู่เนี่ยนะส่วนพระเสขะคือศึกษาศิกขาสามจบแล้วอื่นจากนี้เนวะเสขะนาเสขะหมดเนวะเสขะนาเสขะหมดเนี่ยนะเนี่ยนะเนวะเสขะก็คือ ไม่ใช่ใช่ไหมนาศึกษาก็ไม่ได้จะว่าศึกจะว่ากำลังศึกษาก็ไม่ใช่จะว่าศึกษาจบแล้วก็ไม่ใช่สรุปว่ายังไม่ได้เจริญตรายศึยังไม่ได้เจริญตรายเสกขาของเราท่านท่านทั้งหลายเนี่ยนะถ้ายังปฏิบัติทมอยู่เขาเรียกว่าเสกขะโดยอนุโลมอนุโลมตามนะแต่ยังไม่ได้ชื่อว่าทมกิจเสขะ กิจเสขาจริงๆเนี่ยขณะที่เสขาสามประชุมกันนะจึงจะเรียกว่าจึงจะเรียกว่าศึกษาถ้าเสขาสามไม่ประชุมกันไม่เรียกว่าเสขาอ่านะเอาเอา เ, อาเอาขณะที่ที่เสขาสามประชุมกันตอนเดียวถ้าขณะใดที่อย่างของเราแยกเจริญนะถ้าจะเป็นปุตุชนเนี่ยเรียกว่าเนวเสขานาเสขาสขหมดเลย ถ้าแยกเจริญอยู่นะเออเนี่ยขณะนี้ขณะศีลขณะนี้สมถะขณะนี้วิปัสสนากรณีเป็นเนวะเสขานาเสขะหมดยังไม่ชื่อว่ากําลังเจริญแต่ถ้าเสขะทํรสามประการประชมกันเรียกว่าพระเสขะคือกําลังเจริญเพราะฉะนั้นอริยมรรคนั้นเป็นอริยมรรคทั้งสีเ่เป็นเสขาธรรมทุกขศัตร์เป็นเนวะเสขะทุกขศาสตร์จริงๆก็เป็นทั้งกุศลใช่ไหม เป็นกุศลนะมาหากุศลแปดมาหากตากุศลเก้มามหากุศลเป็นทั้งศีลเป็นทั้งวิปัสนาอ่ะ น, นะบางทีก็เป็นสมถะด้วยมาหาคตะก็เป็นสมถะใช่ไหมแต่ว่าโลกิยากุศลเหล่านี้ยังเรียกว่าเนวะเสขานาเสขะหมด อันนี้เรียกว่าพูดแบบแบบสภาวะนะแต่ถ้าเราแบบถ้าถามอะไรแล้วบอกกำลังศึกษาอยู่ก็แสดงว่าขณะนี้กำลังกำลังอะไรกลังอบรมอริยมรรคอยู่นะคำนี้บางในเนี่ยบางบางทีนะอย่างเช่นมีว่ามีโดยอนุโลมอยู่ว่าเขามีอย่างนี้นะทยะบริโภค ยังไงทายาทชาบริโภคทายาทเขียนไดทายาทชาบริโภคกันนะบริโภคแบบทายาทแล้วก็สามีบริโภคแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งคืออินะบริโภคนั่นไบอกว่าอันนี้จะเห็นชัดไหม สาเจ้าบริโภคปัจจัยสี่แบบเจ้าของคือพผ้ารหันเพราะว่าทำศิกขาจบแล้วใช่ไหมพระเสขะบุคคลคือพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยเป็นพระเสขะตั้งแต่ผู้ได้โสดาปฏิมขึ้นไปเรียกว่าเป็นทายชัชบบริโภคจนถึงขณะอรหัตมักนะพวกนี้เรียกว่าทายชัชบบริโภคบริโภคปัจจัยสี่ที่นี้ พวกทายะบริพก ค, คือพวกไม่มีศีลเป็นผู้ทุศีลเนี่ยบริโภคปัจใจศีเรียกว่าทายะบริพกทายะก็ขโมยส่วนมีศีลแต่ไม่ปัจเจกเรียกว่าอินะบริพกเนี่ยนะศีลดีอะแต่ว่าไม่ปัจเจกถ้าปัจเจกสงเคราะห์ลงเป็นทายชะโดยในสงเคราะห์นะถ้าไม่ปัจเจกก็ลงอินะถ้าศีลขาดก็เลยไปหาทายะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะก็ ออพอจะสงเคราะห์ได้ว่าเป็นเสษขะสงเคราะห์นะขณะที่บำเพ็ญไตรสิกขาขณะไม่ได้เจริญไตรสิกขาก็สงเคราะห์ไม่ได้ นาศึกษาในศาสนานี้ยากกว่าที่คิดเยอะนะตัวศึกษาจริงๆนะเพราะขณะที่ศึกษาที่บริบูรณ์ก็คือขณะที่ไตรสิกขาประชุมกันถ้าไม่มีสิกขาสามเหล่านี้นะให้รู้เธอว่าห่างพระศาสนานี่ขนาดไหนถ้าไม่มีสิกขาเลยนะถึงจะอยู่ในเนี่ยในโบสถ์ในศาลารามก็ช่างเถอะถ้าไม่มีตัวสิกขาสามเหล่านี้นะก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพระศาสนานอะไรเลย เพราะว่ า, าศาสนาที่พระพุทธเจ้าประกาศก็คือประกาศไตรสิก ข, ขานั่นเองมาดูต่อไปว่าทุกขสัตย์นี้เป็นสารมณะก็มีเป็นอนารมณะก็มีสารมณะนี่ง่ายๆคือจิตและเจตสิกอนารมณะคือรูปอันนี้สารมณะแปลว่ารู้อารมณ์ คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อนารมณะคือไม่รู้อารมณ์พันสารมณะรู้อารมณ์หมายถึงจิตและเจตสิกอนารมณะไม่รู้อารมณ์หมายถึงรูปอย่างเดียวรูปนี้เป็นอนารมณะเพราะไม่รู้อารมณ์สรุว่าสภาวะที่รู้อารมณ์กับไม่รู้อารมณ์ั้ทุกขสัสตร์นี้แบ่งเป็นสองประเภทคือรู้อารมณ์กับไม่รู้อารมณ์สมุทัยศัสตร์นี้ต้องรู้อารมณ์อย่างเดียว ขณะที่เขาเกิดขึ้นเขาต้องรู้อารมณ์สารมณะนี่รู้อารมณ์หรือมีอารมณ์ก็ได้มีอารมณ์นี่ภาษาบาลีนะไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยถ้ามีอารมณ์น่ะกำลังโกรธสารสารมณะตัวนี้แปลว่ารู้อารมณ์นิโรสั จ, จเป็นอนารมณนะเพราะว่าไม่ต้องรู้อารมณ์ อนนารมณ์นะคือไม่มีการรับรู้อารมณ์นะตัวสภาวะนิพานไม่รู้อารมณ์อะไรสักอย่างแต่อริยมยรู้อารมณ์เพราะมีนิพานเป็นอารมณ์นะนิพานเนี่ยไม่รู้อารมณ์แต่มรู้นิพานนะนิพานหรอกไม่รู้่มรู้ตัวเองหรอกก็เหมือนกับเราไปดูภาพถ่ายใช่ไหมถ้าดูภาพเนี่ยนะภาพรู้ไหมว่าเรากลาลังดูอยู่ภาพไม่รู้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ลักษณะนั้น ตัวใดที่รู้อารมณ์เนี่ยนะที่เกิดขึ้นต้องมีอารมณะปัจจัยแน่นอนเนี่ยนี่เรียกว่าสาระมณะและตัวมันเองเป็นอารมณ์เขาถ้ำตื้นอยู่ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณะเฉยๆดังถ้าเราแบบแบบคุยง่ายๆไงว่า ตัวรู้กับว่าสิ่งที่ถูกรู้นะตัวรู้เนี่ยหมายถึงอะไรสภาพคือเจตสิกจิตเจตสิกเนี่ยเป็นสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาต้องรู้อารมณ์ทีนี้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยอะไรก็ได้จิตรู้จิตก็ได้รู้เจตสิกก็ได้รู้รูปก็ได้ แต่ตัวรูปนี่มันธรรมชาติมันว่ามันไม่รับรู้อะไรสักอย่างอ่นนะมันไม่รับรู้อะไรแต่สัตว์สิ่งอื่นมารับรู้มันอย่างอย่างอย่างสมมติว่าเราไปดูต้นไม้เนี่ยนะก็มีจิตมีเจตสิก ไ, ไปชมต้นไม้แล้วต้นไม้มันรับรู้ไม่ว่าใครดูมันอยู่อ่นนะพันตัวตัวรูปทั้งหมดทุกชนิดเป็นอนารมณะ่นะรูปจะไม่รู้อารมณ์อะไรเลย อันนี้เรียกว่าอนอารมณะส่วนตัวนี้เรียกว่าสามณะสาตัวนี้แปลว่ามีมีอารมณ์หรือรู้อารมณ์นั่นเองอา ส, สาสวะก็คือมีอาสัสวะตัวนั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอัธยาแปลว่า ถ้ามีอาสวะเนี่ยเช่นรูปเนี่ยรูปเนี่ยเป็นสาสวะเพราะเป็นอารมณ์ของอาสวะรูปเนี่ยรูปจะว่ามันมีอาสวะก็ได้เพราะอาสวะเ ว, เวลาเกิดก็ใสาอาศัยรูปนั่นแหละเกิดขึ้นแต่ว่าตัวมันไม่ใช่สภาวะของอาสวะก็นิพานเนี่ยเป็นอสังขตะธรรมอสังขตะก็ไม่รับรู้อะไรอยู่แล้วละ่ะ พันะนิพานจึงเป็นอนารรมะคือไม่รู้อารมณ์อริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แต่รู้นิพานอย่างเดียวอริยมรรคเกิดนะเขาเขารู้อย่างเดียวคือนิพานแต่เขาไม่ลุ่มหลงในทุกข์สมุทยัยอ่านะไม่ลุ่มหลงในทุกข์และสมุทยัยแต่ขณะนั้นเขารู้แต่นิพานทีนี้ต่อไปว่าโดยเวทสัมปยุทธกับเวทนา ทุกขศาตเป็นสุขประกอบกับสุขเวทนาก็มีสัมปยุตแปลว่าประกอบนะสุขะสมปยุตก็แปลว่าประกอบกับความสุขก็มีทุกขศาสต์เป็นทุกขศัตร์ประกอบกับความสุขก็มีทุกขศาสตร์ประกอบกับอุเบกขาก็มีนะทุกขศาตร์ประกอบกับทุกขเวทนาก็มีก็แสดงว่าทุกขศาสตร์นี้ประกอบได้ในเวทนา3ทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกขและ อุเบกขาเนี่ยนะส่วนสมุทัยศัสตร์คือตัณหาเนี่ยเกิดร่วมกับสุขก็มีเกิดร่วมกับอุเบกขาก็มีถ้าเรียนโลภะมูลจิตมาก็ง่ายละเพราะว่าโลภะเกิดร่วมกับโสมนัสกับอุเบกขาเท่านั้นส่วนพระนิพพานพูดไม่ได้ว่ามันเกิดร่วมกับอะไร สุขเวทนาไม่ใช่ใช่ไหมพระนิพพานเป็นอสังขตะมันจะไปสัมปยุทธกับสุขกับทุกอย่างไงเพราะฉะนั้นพระนิพพานไม่ประกอบกับสุขไม่ประกอบกับทุกข์ไม่ประกอบกับอุเบกขาส่วนอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นสุขก็ได้เช่นถ้าตั้งแต่จะตุทชานลงมานะโดยปัญจกนัยเนี่ยตั้งแต่จะตุทชานลงมาเนี่ยปถมชาญทุติยาชานตาติยาชาญจะตุทชาน อันนี้เป็นสุขเวทนาถ้าจะปัญจมะฌานปัญจมะฌานนี่นับเป็นอทุคขมสุขเวทนาหรืออุเบขาเวทนาแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องเวทนานะถ้าเอาเวทนามาจับหรือทุกขสัตมนั้นเป็นวิบากก็มีเป็นวิบากหมายถึงว่าเป็นตัววิบากจิตและ เจตสิกเป็นคำว่าวิบากทั่วไปนั้นหมายถึงจิตและเจตสิกที่เป็นผลของกุศลและอกุศลมันทุกข์ษัตริย์เป็นผลของกุศลอกุศลก็ได้เป็นวิปากธรรมมารมก็มีวิปากธรรมมารมหมายถึงว่าตัวกุศลและอกุศลคิด ง, ง่าอย่างนี้ว่าวิปากธรรม วิบากหมายถึงวิบากของกุศลวิบากของอกุศลตัวกุศลอกุศลนี้เรียกว่าวิปากธรรมมาธรรมะแปลภาษาไทยว่าไอตัวที่มันสร้างวิบากตัวเหตุแห่งวิบากหรือตัวที่สร้างวิบากตัวที่เป็นปัจจัยแก่วิบากเรียกว่าวิปากธรรมมาธรรมะน่ะตัวที่สร้างวิบากบัญทุกษัตริย์นี้เป็น วิบากก็มีคือตัววิบากเป็นวิปากธรรมก็มีคือตัวที่สร้างวิบากแล้วก็เนวะวิปากณนะวิปากธรรมก็มีหมายความว่าไม่ใช่วิบากไม่ใช่ทั้งตัวที่ทำให้มีวิบากเช่นรูปกิริยาจิตรูปกับกิริยาจิตนี้เป็นเนวะวิปากณนะวิปากธรรมมาทำมาจะว่าวิบากก็ไม่ใช่ จะว่าตัวที่สร้างวิบากได้ก็ไม่ใช่เพราะไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั่นแหละก็จริงๆเราก็ได้ยินบ่อยๆนะถ้าไปงานศพก็ได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วแหะจริงงานศพไม่ได้เกี่ยวกับผีอะไรสักอย่างหรอก วิปากาธมมะธรรมธรรมอืมวิปากาธรรมะวิปากะธรรมะธรรมาเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมาถ้าได้กลิ่นทูบด้วยก็กำลังดีนะก็ไวส้สวดในงานศพเลยขลังขึ้นนะถ้าได้กลิ่นทูบสักนิดหนึ่งดีส่วน สมุทยัยศาสตร์นี้เป็นวิปากธรรมธรรมะหมายถึงว่ามันเป็นตัวที่เป็นเหตุให้มีวิบากได้เนี่ยนะมันสามารถให้วิบากได้ส่วนนิโรสัจจานี้เป็นเนวะวิปากะวิปากธรรมธรรมะไม่ใช่ไม่ใช่วิบากและก็ไม่ใช่ตัวที่สร้างวิบากอริยมรรคนี้เป็นวิปากธรรมธรรมะเพราะเป็นเหตุให้มีวิบาก วิบากของมรรคก็คือสามัญญผลอริยผลนี่เป็นวิบากเพราะฉะนั้นอริยมรรคนี่เป็นวิปา ก, กธรร ม, มธรรมะคือตัวที่สร้างวิบากเห็นไหมมาดูโดยการโดยการทุกขสัตว์นี้เป็นได้ในการ3อดีตอนาคตและปัจจุบันคําว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ย หมายถึงว่าสภาวะใดที่หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วสภาวะนั้นเรียกว่าอดีตสภาวะใดที่จักเกิดตอนนี้ยังไม่เกิดหรอกจักเกิดอันนั้นเรียกว่าอนาคตสภาวะใดที่กำลังเกิดสภาวะนั้นเรียกว่าปัจจุบันเพราะทุกขสัต์เป็นได้ในการสามสมุทัยสัตว์ก็การสามนิโรสัตว์การลวิมุตไม่เกี่ยวข้องกับการเลย การนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงจะมีการถ้าสิ่งใดไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นพ้นการนั่นนะไม่มีการอ่ะเพราะนิโรธสัจจะนี้เป็นกาลวิมุตไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นจึงจะมีการเคยถือว่าสภาวะใดที่มีอยู่แต่มันหมดไปแล้วสภาวะนั้นเรียกว่าดีตสภาวะใดที่จักเกิด มันเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยจักเกิดขึ้นสภานั้นสิ่งนั้นเรียกว่าอนาคตสิ่งใดที่กําลังมีอยู่สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นปัจจุบันหมายถึงสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทีนี้สิ่งที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่มีเกิดไม่มีเสื่อมเมื่อไม่มีเกิดไม่มีเสื่อมก็ไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตและปัจจุบันนั่นนะม่มีวทสานเขาคิดเป็นอื่นยนะนิพานเนี่ยาคิดงไยังไงก็ไม่ คิดยังไงก็คิดไม่ถูกอยู่แล้วคิดยังไงก็คิดไม่ถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระนิพพานนั้นไม่ใช่เกิดจากการตรึกถ้าใครจะแทงตลอดเนี่ยนะถ้าจะบรรลุจริงก็ไม่ใช่เกิดจากการตรึกก็ถ้าเปรียบเทียบในแบบแบบอุปมาอริยศาสตร์ก็เหมือนกับว่าคนไข้เนี่ยนึกออกไหมว่าถ้าเกิดมาป่วยตลอดว่าหายป่วยมันเป็นยังไง เดาได้ถูกไหมคนไข้คิดว่าเดาถูกไหมก็เ<อ>ดาไม่ถูกอยู่แล้วนะเหมือนอย่างว่าคนเกิดมาตาบอดมาแต่เกิดเลยเนี่ยนะไม่เคยเห็นสีซากสีเดียวเนี่ยนะถามว่าเขาจะจินตนาการถูกไหมว่าสีเขามันเป็นยังไงชาติก็ระ ล, ลึกไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะจินตนาการโลกนี้ถูกต้องไหมโอ้ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆแห่งที่เราไปนะไม่มีใครจินตนาการไว้ถูกสักคนเดียว สมมติว่าเขาพูดถึงเพื่อนให้คนหนึ่งให้เราได้ยินใช่ไหมเราก็คิดฝันไปเรื่อยน ะ, จะเจอเขาจริงจริงก็ไม่เหมือนหรอกเพราะว่าอันนี้หยาบๆนะยังจินตนาการไม่ถูกเลยขนาดรูปเนี่ยไม่เกินรูปยี่สิแปดหรอกขนาดนั้นยังจินตนาการสีไม่ถูกเลยนะจะกล่าวไปยายถึงสภาวะของปณิพานธ์ทันจึงไม่อยู่ในโลกของการตรึกเพียงแต่เปรียบเทียบได้ว่านิพานเนี่ยไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่สังขารสรุปว่าพระนิพพานกาลวิมุตต์นะไม่เกี่ยวกับการอะไรสักอย่างส่วนอารยมรร์เนี่ยอย่างมรร์ของพระอริยะในอดีตก็เรียกว่าเป็ออดีตพระอริยะที่จักบรรลุอารยมรร์ก็เป็นอนาคตอริยมรร์ของพระอริยะที่กําลังเกิดตอนนี้ก็เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นมรร์นี่เป็นเป็นไปกับการสาม ก็แบบคุ้นเคยกันว่าพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่เคยตรัสรู้แล้วในอดีตพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่จักตรัสรู้ในอนาคตพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่กำลังตรัสรู้อยู่ในปัจจุบัน น, นะเพราะอารยิยมรรคนี้เป็นเป็นได้ในการสมของเราเนี่ยอดีตไม่เคยมีใช่ไหมมรรคนะสมมุติถ้าขณะที่กำลังโสดอกาลังอนาคามีมรรคเกิดนะบุคคลนั้นเรียกว่าเคยมี โสดาปฏิมรคในอดีตใช่ไหมจากมีอรหัตมรคในอนาคตเพราะขณะนั้นกําลังมีอะไรกำลังมีอนาคามิมรคกำลัเกิดเปเพราะฉะนั้นถือว่าโสดาปฏิมรคเป็นอดีตอรหัตมรคเป็นอนาคตขณะที่อนาคามีมรคกําลังเกิดเป็นปัจจุบันในบุคคลเดียวซาสามารถแยกแบบนี้ก็ได้ <c oughs> ปกติแล้วทุกขสัตว์เนี่ยนะเป็นถ้าเป็นทุกขสัตว์จริงๆนี่ต้องเป็นปริญยาธรรมใช่ไหมสมุทัยสัตว์เป็นปหาตประธรรมนิโรสาจาัจจะเป็นสัชิกาตประธรรมมรรคสัต์เป็นภาเวตประธรรมทีนี้มันมีข้อแม้ว่าเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกขสัตว์เนี่ยเป็นสมุทยัยแต่ไม่ใช่สมุทัยสัตว์ เป็นเป็นมรค่ะแต่ไม่ใช่มรคสัตริย์างเงี้ยนะก็อันนี้แหละที่ต้องใช้ใช้ความคิดบ้างอนะต้องติเหุเออกระนี้หมาขุสนยาณสัมปยุทธหน่อยจึงจะเข้าใจเช่นว่าเอามารู้จักก่อนว่าสิ่งที่เป็นทุกข์และเป็นทุกขสัตย์ด้วยเป็นทั้งทุกขและเป็นทุกขสัตย์คืออุปาทานขันห้าอันนี้ง่ายๆเลยนะตัวอุปาทานขันห้าเป็นทุกข คำว่าทุกเนี่ยคือทไมเขามีนิยามอย่างนี้ว่าทุกกับทุกขัสัตทุกขัสัตเนี่ยคือปริญยยาธรรมอยะตัวนี้แปลว่าควรเนยนะแปลว่าธทรรมที่ควรกำหนดรู้ ส่วนทุกตัวแรกเนี่ยนะทุกข์เฉยเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกหมดอะไรก็ตามที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเป็นทุกทั้งหมดเนี่ยนะอย่างขันห้าเนี่ยอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้านี้เป็นทั้งทุกเพราะไม่เที่ยงด้วยเป็นทั้งทุกขสัตว์เพราะต้องเป็นธรรมที่ควร กำหนดรู้ด้วยทีนี้สมุทัยอ่าตัวตัวอ่ตัวสมุทัยศัตร์เนี่ยนะสมุทัยศัต์จะคือตันหาตันหาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ตันหาไม่เที่ยงแบบเป็นปริญญาธรรมเออขออภัยเป็นไม่เที่ยงแบบปะหาตประธรรมตันหานะไม่เที่ยงอ่ะแต่เป็นประเภทปะหาตประธรรมมักเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง มักก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นมักก็เป็นทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกขสัตว์เพราะนิยามของทุกขสัตว์เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้สมุทัยศาสตร์นั้นไม่ใช่ธรรมที่ควรกําหนดรู้โดยกิจนะตามสัจจะนี่เป็นธรรมที่ควรละมักสัตว์ไม่ใช่กิจควรทำควรไปกําหนดรู้ใช่ไหมเป็นกิจที่ควรเจริญเพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่ตัวคําว่าทุกข์คือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใด เป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาส่วนทุกขสัตว์ขอบเขตก็ต้องเป็นปริญยญาธรรมทีนี้มาดูสมุทัยสัตว์บ้างนะที่เป็นสมุทัยแต่ไม่ใช่สมุทัยสัตว์สมุทัยเนี่ยหมายถึงเหตุให้เกิ ด, กดผลใช่ไหมตัวใดที่ทำให้เกิดผลได้สิ่งนั้นเรียกว่าสมุทัยส่วนสมุทัยสัตว์จะคือสิ่งที่ต้องละ สิ่งที่ต้องละสิ่งนั้นเป็นสมุทัยยศาสตร์จะตันหาเป็นทั้งสมุทัยเป็นทั้งสมุทัยยศาสตร์ส่วนกิเลสและอกุศลธรรมที่เหลือทั้งหมดอันนี้เป็นสมุทัยแต่ไม่ใช่สมุทัยยศาสตร์เฉพาะตรงนี้นะเฉพาะนัยยะเนี้ยมรคนี่มรคนี่มีผลไหมมรคนี่มีผลใช่ไหมมรก็เป็นเหตุซึ่งมีผลต่อไปเพราะฉั้นมรก็เป็นสมุทัย แต่ไม่ใช่สมุทัยยศจระทุกเนี่ยนะทุกมีอะไรมีกรรมใช่เช่นกรรมอาหารพวกนี้เป็นสมุทัยไหมให้ผลไหมให้แต่ไม่ใช่สมุทัยยศจระเพราะฉะนั้นคําว่าสมุทัยเนี่ยสิ่งใดที่นํามาซึ่งผลได้ตัวใดที่ให้ผลได้สิ่งนั้นเป็นสมุทัยแต่ที่เป็นสมุทัยยศจระมีอันเดียวคือตันหา วอวิชาก็เป็นสมุทัยแต่ไม่ใช่สมุทยสัจจะ ม, มันอันนั้นมีหลายในนะแต่อันนี้ว่ารวมๆเฉพาะเฉพาะนิยะตรงนี้ก่อนว่าตัวสมุทยัยสัจจะคือตัณหาอย่างเดียวที่เหลือเป็นสมุทัยได้แต่ไม่ใช่สมุทยสัจจะ มักผล